เดี๋ยวเฉพาะ พ, พุทธพน์เมื่อเช้าเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสถึงพวกเทวดาเนี่ยนะเทวดาที่ที่ที่จะมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระผู้มีพระภาคนั้นมีพระชนอยู่ในระยะเวลา 45, สี่สิบห้าพันป่าสี่สิบห้าพรนาโดยเทียบอายุการในภพภูมิแต่ละภพภูมิแล้วเนี่ยนะน้อยมากจริงๆเลยอย่างเทียบกันจาตุมแล้วก็วันเดียวของจาตุมนไม่ถึงวันด้วย ถ้าเทียกบกระดาษดึงแล้วน้อยน้อย น, อ ย, นอยถ้าเทียบกับพร้มด้วยแล้วก็แหมมีเทวดาอยู่ท่านหนึ่งกําลังร้อยพวงมาลัยจะทําพุทธบูชาเลยนะร้อยร้อยเอเอจุติเพร่ อ, อสันดุสิตเทพบุตรจุติแลปะปฏิสนธิในคันเอาไปบูชาวันคลอดก็ได้เนีย่ยนะวันคลอดจากคันก็แล้วกันเราก็ ย, ยังไม่เขว่าคลอดแล้วนะท่านจะร้อยไปให้ท่ามาลัยเอาวันออกบวชกันแล้วกันเอาออกบวชเลย น, นะตัสรุ รอรอเอ้าตัดสรุปไปเลยนะทีนี้ร้อยรอยรอยเอาไว้วันนี้ผ่านเอา้าข้อนี้ผ่านแล้วนะว้กแปบเดียวอนก็เลยเอ้าไหม่เสร็จก็เอาไปบูชานั้งไม่เสร็จนี่แหละเรงนั้นนี่นะเพราะเวลามันมีจํากัดจริงๆแต่ว่าเวลาในวัดตะดูท่าจะยังอีกยาว <c oughs> มันก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้จริงๆในหน้าสิบสองนะพูดถึง กล่าวถึงสังเวสนิยตฐานบ้างเนาะ <c oughs> หน้าสิบสองบ้างหลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงเล่าให้พระนอนนฟังนะว่าเทวดาทั้งหลาย เ, เมื่อมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนที่พระองค์ดับขันปรินิพพานนี้เขาคิดอย่างไรกันท่านพระนรินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนพวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในที่ทั้งหลายย่อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตพวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจก็โดยการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระองค์จะไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้พวกภิกษุผู้ให้เจริญใจแบบั้นคือกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยที่พระผู้มีพระภาคอย่างทรงพระชนอยู่ภิกษุจะชุมนุมกันสองครั้งคือวันก่อนเข้าพรรษาหรือจวนจะเข้าพรรษาเนี่ยนะภิกษุก็จะเข้าไปเฝ้าเพื่อรับพระกรรมฐานทีนี้พอ รับกรรมาฐานเสร็จเนี่ยนะก็แยกย้ายกันไปจำพรรษาณนะทิศ ต, ต่างๆทีนี้พอกพรรษาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมาบอกเล่าถึงคุณวิเศษที่ได้รับเนี่ยนะที่ที่พอองที่ภิกษุเหล่านั้นไปปฏิบัติตามและบรรลุคุณธรรมอะไรบ้างก็มาเล่าให้พระผู้มีพระภาคหรือเกิดข้อสงสัยในระหว่างนี้อย่างไรก็มาทูลถามพระ อ, องค์ใหม่ในระหว่างออกพรรษา ที่ในภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะที่เกาะมาก่อนเข้าพรรษาหลังออกพรรษาก็จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแบบนี้เป็นปกติตลอดถ้านนนนี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติเนี่ยอย่างสูงมากในภิกษุที่มีพรรษาแก่กว่ามาอายุบวชก่อนท่านเนี่ยนะท่านนั่งลงไม่ได้เลยท่านต้องรีบไปรับไปรับบาดรับจีวรรับบริหารรับพร่มกติกน้ําอะไรเนี่ยนะเห็นอะไรรับหมด แล้วมาจัดเสนาสนะจัดวัดปฏิบัติให้เรียบร้อยหมดเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะทีนี้ถ้ า, ถาพระภิกษุบวชใหม่กว่าท่านอายุพรรษาน้อยกว่าท่านเนี่ยนะท่านจะเข้าไปถามเนี่ยนะเข้าไปถามสารทุกสุขดิบมีที่พักหรือยังอะไรหรือยังเนี่ยน ะ, ะความที่ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติตในลักษณะนี้ท่านก็เลยถามว่าถ้าพระ อ, องค์ ล่วงไปอย่างนี้แล้วจะได้เห็นพระภิกษุเหล่านั้นอีกได้อย่างไรเพราะพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ให้เจริญใจมันงั้นเนะให้เจริญใจท่านนะนะท่านเจริญสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยอาศัยพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็เจริญกุศลธรรมและอย่างหนึ่งตามมงคลที่ว่าไงการเห็นสาวกของพระตถาคตก็ชื่อว่าเป็นทัศนานุตริยานี่นะและอย่างหนึ่งก็การเห็นสมณะทั้งหลายก็เป็นเป็นมงคล เพราะฉะนั้นท่านก็ได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้สงเคราะห์คนที่ไม่รู้ด้วยในขณะเดียวกันท่านก็ได้ฟังธรรมะจากพระองค์อื่นๆด้วยเช่นพระมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสถึงเจดีเนี่ยนะที่อื่นๆก็มีพูดถึงเจดีสามประการเจดี JD ในศาสนานี้มีสามอย่างคือหนึ่งบริโภคเจดีบริโภคเจดีก็คือสถานที่ พระพุทธเจ้าใช้สอยอย่างหนึ่งบริขารที่พระองค์ใช้สอยเนี่ยอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าบริโภคเจดีย์อ่นะอีกอย่างหนึ่งก็อุเทสิกะเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ก็คือพระพุทธ ร, รูปทั้งหลายเนี่ยนะรูปปั้นรูปที่เขาทำส่วนเปรียบพระผู้มีพระภาคเนยนะอันนี้เ็าเรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์แล้วก็อย่างที่สามก็คือาธาตุเจดีย์เนี่ยนะพระพระาธาตุมีที่ไหนเพราะฉะนั้น เจดี3ประการนี่แหละเป็นที่ที่ควรไปเนี่ยนะแต่เฉพาะในมหาปริญพานสูตรภาษสังคีติกาจารย์ยกมาเฉพาะในส่วนที่เป็นสังเวทนียสถานแต่ไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เจดีนะอย่างอื่นก็เป็นเจดีด้วยแต่ตรงนี้ยกมาเฉพาะสังเวทนียสถานว่าดูก่อนอานนท์สังเวทนียสถา น, าอ น, อ น, อนสีน่สแห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสังเวทนียสถานสี่แห่งเป็นไนคําว่าสังเวสสังเวชนียะนี่นะแปลว่าที่ให้ควรสังเวสเห็นนะที่ให้ควรสังเวสอะ่ะคำว่าสังเวสก็คือเป็นสถานที่ที่ควรสลดใจว่างั้นนะ่ะนะที่ที่ควรสลดใจสี่ประการนี้คือหนึ่งสังเวทนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตประสูตรในที่นี้อันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะที่ที่ประสูตรเนี่ยนเนี่ยเนปาลเหรอเนี่ยเนาะอ๋อติดติดกันสองสังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาณในที่นี้สาม สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้สสังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาดูกะระอนนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจักมาด้วยความเชื่อว่าคือมาด้วยอนุภาพของศรัทธานะว่าพระตถาคตประสูนในที่นี้ก็ดีพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถ า, าคตสเสด็จปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีมีจิตเลื่อมใสายแล้วจากทํากาละลงชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะตายแตกจากเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ว่างั้นนะอันนี้ถ้ายังรักษาศรัทธาไว้ได้นะถ้ายังด้วยจิตที่เลื่อมสายแบบนั้นเนี่ยไปสุขติได้ แต่ไม่ใช่แสดงว่า โ, โหคนที่ไปสังเวชนียสถานอย่างนี้แล้วไม่ไปอาบายหมดเลยไม่ใช่ลักษณะนั้นหมายถึงว่าก่อนจะจุติเนี่ยนะด้วยการระลึกถึงศรัทธาที่ที่ได้เคยทำลักษณะเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุให้ไปสุขติได้ในอัตกถาท่านอธิบายว่าท่านแสดงว่าก่อนอื่นภิกษุเหล่าใดกวาดลามพระเจดียในที่นั้นๆ ชำระอาสนะรดน้ำที่ต้นโพแล้วเที่ยวไปในภิกษุเหล่านั้นไม่จำต้องกล่าวถึงเลยคนที่ประพฤติวัดอุปถักเจดีสั์สังเวชนียสถานเหล่านี้เนี่ยนะด้วยกุศลศรัทธาจริงๆถ้าท่านจุติก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสุคตินี้หวังได้ใช่ไหมเราภิกษุที่ออกจากวัดด้วยคิดว่าจะไปไหว้พระเจดีในวัดนูนมีจิตเลื่อมใส แม้กระทำกาละในระหว่างในระหว่างก็จะบังเกิดในสวรรค์โดยไม่มีอันตรายเลยผู้ที่มีจิตจะไปกราบพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะไปด้วยศรัทธาและจุติในระหว่างก็สุขติหวังได้เนี่ยนะก็บก่อนนะคุณหมอเขาว่าไงนะก็ถ้าไปในระหว่างแล้วมันจุติก็สุขติหวังได้ดูเอกากรมสกตาดีนึ่อันนี้พูดถึงสถานที่เนะียนถ้าคนพอมีบุญพอไปได้ก็ควรแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ เจเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงสามอย่างใช่ไหมหนึ่งอะไ ร, รหนึ่งบริโภคเจดีก็บริโภคเจดีก็เช่นข้าวของเครื่องใช้ของพระผู้มีพระภาคมีที่ไหนบ้างอะ่ะตอนนี้นะนอกจากสังเวชนียสถานนี่นะเช่นบาทพระผู้มีพระภาคอยู่ที่ไหนจีวรเป็นต้นอ่ะนะสิ่งเหล่านี้นึกไม่ออกเนาะอันนี้ถ้าถ้าเจดีก็นึกออกใช่ไหมว่าเขาสร้างพระธาตุไว้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืออุเทสิกะเจดีเนี่ยนะพระพุทธรูปทุกโขนทุกแผ่งก็ชื่อว่าเจดีหมดเลยเนี่ยนะในอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าบุคคลหาเจดีไม่ได้เลยนะให้เอาแผ่นจารึกเนี่ยนะแผ่นเนี่ยเขียนปฏิจจสมุปบาทลงในแผ่นแล้วก็ทำเป็นที่คารบสาการะเนี่ยนะถือว่าคารบรร ม, มเจดีไปนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่นนะ เขียนผู้พุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งแล้วก็เนี่ยคาสอนเพราะว่าพระองค์บอกอยู่แล้วว่าคําสอนนี่แหละเป็นาศาสดาของของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจารึกพุทธพจน์เนี่ยนะก็แล้วก็กราบไหว้ไปเขียนปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยนะลง เ, เลยนะถ้าเขาทําถูกต้องก็เป็นกุศลนะพวกไหนทําก็เป็นกุศลหมดแหลถถะถ้าทําถูกไหยถ้าทําด้วยความเข้าใจทําด้วยจิตที่เลื่อมใสเนี่ยเป็นกุศลหมดเลยนี่นะ แต่เขามาไม่ห่วงแล้วทําไงก็นอนหันศีรษะไปทางตู้พระไตรปิฎกก็กราบแล้วก็สบายมากมันอยู่กับเจดีทุกวันเนี่ยนะเนี่ยลูกครับด้วยนะโอ้ทั้งอ่านทั้งเอาหมดเลยใช้ทั้งตาทั้งมือยังเติมสีสันด้วยนะทงสายกรรมวิจิตหน้าด้วยเลยนะก็นานนี้ก็เป็นทักของไอ้มาเองเนี่ยนะเป็นภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันมจะนอนหันศีรษะไปทางไหนดีเนี่ย คือนี้ถ้าพระไตไปิฎกอยู่ทิศไหนหันไปทิศนั้นอ่ะนะมันจะทิศตะวันตกกระชั้งอ่ะไม่เคยเลือกทิศนอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าพระไตรปดฎกอยู่ตะวันตกก็หันหัวไปทิศตะวันตกก็แล้วกันจากนั้นก็หันศีรษะเอาอ่ะนะไปเลือกทิศอะไรมากมายไม่เคยสนใจบอกเออนอนทิศนี้ก็ตายเออแล้วก็ตายอยู่แล้วไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้อ่ก็ตายนะมันก็ตายนอนคนตายก็นอนตายได้ทุกทิศนั่นแหละมันก็จะไปคิดอะไรมากมายนักเหมงอนนแต่ท่าอันนี้คิดแบบสมานะคนอื่นไม่รู้นะ แต่ก็คิดอย่างนี้นี่ยาจะขัดกับโบราณก็นะก็นอนที่ตะวันตกนะท่านเมืองไทยเนี่ยนะของมาก็บอกเออดีเหมือนกันนะก็นอนเอาหันศีรษะไปทางพระเจดี JD, เพราะว่าอินเดียนี่อยู่ทิศไหนของเมืองไทยตะวันตกก็คิดว่านอนหันศีรษะไปหาบริโภคเจดี JD ของพระผู้มีพระภาคที่พระ อ, อง ค, อเค์เคยประสูตดเคยตรัสรู้เคยแสดงธรรมจักดับขันปรินิพานก็นอนหันศีรษะไปทางนั้นเอาเออนะจริญท่านไม่เฉียงก็คิดให้ใจมันเฉียงเอาไปกันแล้วกัน นี่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าจะนอนไปที่ใต้โอ้พระพุทธรูปพระเจดีย์ในทางที่ใต้ก็ถือว่าหันศีรษะไปทางที่ใต้กันแล้วกันถ้าทิศเหนือพระธาตุดอยไหนมีอยู่มั่งก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นกันแล้วกันตะวันออกก็เหมือนกันเนี่นนยนอนใจไปอาวะวัตเอาอยัางชอบอาร ว, วากายักเลยนะข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรดกการพระพุทธเจ้าและความเป็นธรรมดีของพระธรรมอ น, นะ <c oughs> นี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการ ถึงสารณาคมเนี่ยนะเพราะว่าอย่างอื่นที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่เราจริงๆเนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะอาจจะพึ่งในบางส่วนก็อาจจะพึ่งได้จริงแต่ว่าประโยชน์โลกนี้นะแต่ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งล่ะแล้วประโยชน์โลกนี้จริงๆเราอยู่อีกนานไหมเนี่ยนะแล้วก็คิดเอาไว้ะนะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็บอกว่าบุคคลในโลกนี้ใครดีที่สุดเนี่ยอย่างหนึ่งก็พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วในบรรดาธรรมะทั้งหมดอะไรดีที่สุดวิราฆธรรมเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรอีกในบรรดาสัตว์สองเท้าวสัตว์สี่เท้า ส, า 2, า ส, า 4, าสาัตว์มากเท้าหรืออรูปประพรมก็ตามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดีที่สุดเลยทีนี้ในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะทั้งที่ถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งเนี่ยนะนิพพานดีที่สุดในบรรดาสังฆะธรรมทั้งหลาย อริยมรรคประเสริฐที่สุดเนี่ยนะบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะในบรรดานาบุญในโลกที่เนี่ยนะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีที่สุดนะเนี่ยนะที่เป็นนาบุญของโลกเป็นต้นผู้ควรแก่ทักษิณาทานเป็นต้นก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เวลาทําอะไรก็ให้พยายามนึกถึงพระรัตน์ตายเหล่านี้ไว้แต่ทีนี้ในเฉพาะส่วนที่ว่าพระพุทธเจ้าเลิศที่สุด เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยอาศัยอะไรอันนี้นะทีนี้สองนิพพานที่ว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่นะเราอาศัยอะไรจึงจะเข้าใจพระธรรมได้ในบรรดาสังคตาธรรมที่ถูกปรุงแต่งคืออรรยมรักเอ๊ะแล้วเราจะอาศัยอะไรจึงจะเข้าใจพระพระอารยมรักเหล่านั้นได้แล้วพระสงฆ์ที่บอกว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบเราเ อ, าอะไรเป็นเครื่องวัดเราจึงจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีจริง ก็ต้องไม่ลืมที่พุทธพจน์ว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้นั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะถ้าตอนนี้ก็เอาพระธรรมก่อนคือพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละซึ่งถ้าเคารบพระธรรมในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเคารบพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็พระองค์ปฏิบัติอย่างที่พระองค์ แสดงไว้ในคัมภีร์นี่แหละคําสอนของพระองค์ก็อย่างนี้นี่แหละสาวกที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ท่านก็ปฏิบัติตามนี้นี่แหละแล้วก็จะได้ใกล้ชิดพระัตนะตรัยมากขึ้นจิตใจของเราก็เป็นไปกับกุศลมากขึ้นอถ้าจิตใจเป็นไปกับกุศลในลักษณะนี้เนี่นะมันไม่ค่อยกลัวจุติหรอกถ้าจุติระหว่างนั้นก็ไม่เสียดายอยู่แล้วก็ไปดีกว่านี้ก็แล้วกันเหมือนกันไปจุติตอนอื่นเนี่ตอนไปคิดเรื่องอื่น น, นี่มันน่าสงสารตัวเองเลยนะ ไปอาบายก็แม่โอกาสแบบนี้อีกไม่ง่ายเลยนะถ้าไปเกิดเป็นปลาล่ะมีอยู่ข้างไปมีร้านยังไงเขาขัางเดียวนะตู้ปลาขัางเดี่ยวมีตัวเดียวหนันจะเหงาหน้าดูเหมือนกันนะเป็นปลาอยู่ตัวเดียวเลยนะแล้วทุกข์ขจิด้วยไม่ได้ฟังทาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะไปเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งให้ใครไปไผมาดูเฉยเฉยเนี่ยนะโอถ้าเราไปอยู่แบบนั้นจะว่าไงบ้างนแล้วเมื่อไหร่จะได้เจริญกุศลบ้างท่าทีจะไปดีกับเข้าบ้างอ่ะนะ จะได้ไปสุขติสุคติเนี่ยแปลว่าที่ไปสุนี่แปลว่าดีถ้าพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสุขโตเหมืนกัเมื่อไรเราจะได้ไปดีแบบพระพุทธเจ้าบ้างเพะะิ่นก็อย่าประมาทกันแล้วกันพระพุทธพจน์ ท, ที่สําคัญที่สุดคือความไม่ไม่ประมาทอัอปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคลามุตตะมังเนี่ยนะไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลใดที่ควรให้มีขึ้นก็รีบรี บ, รบทำไป แล้วก็บางแห่งบอกว่าอย่าปล่อยให้ขณะล่วงไปกันแล้วกันเหมือนั้นคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปก็ไปยัดเยียดอยู่ในอบาลนี่ก็มากแล้วก็ไม่<ก>ไมีมมอะไรรั บ, ร, บรองเนี่ยนะก็ถ้าเกิดไปชอบแบบนั้นน่ะใครจะว่าอะไรคือคือมันเป็นลักษณะนี้นะว่าอการไปอบายแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะหลุดจากอบายง่ายๆเพราะว่าไปอยู่ในภพนั้นมันก็มีอาัศธ า, านในภพนั้นน่ะมันก็ไปชอบแบบนั้นเอาไง อย่างที่เล่าอ่ะถ้าไปเกิดเป็นนะไก่อย่างเงี้ยก็ไปชอบนางสาวไก่จะว่าไงแต่ก็เป็นหมูไปชอบนางหมูจะว่าไงอย่างเงี้ยเกิดเป็นไหนนะอ้าวเป็นไปไม่ได้พวกนั้นเนี่ยถือศีลหมดเลยแต่ทีนี้ไม่ใช่ตะกุยตะกายไปหากันตลอดนั่นแหละแั้นถ้าไปเกิดในอบายหรือเกิดเป็นงูก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มันก็ไปติดอยู่ในภพนั้นๆอีกนั่นแหละถ้าหากว่าในที่นั้นไม่มีอาสาทะเนี่ยนะเขาอยากออกกันหมดแหละแต่ทีนี้มันมีอาสาทะอยู่นะ ถึงเกิดเป็นงูเกิดเป็นหนูเกิดเป็นนกมันก็มีอัศรธะในนั้นในนั้นได้หมดแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอ่ทั้งราคะก็เกิดโทสะก็เกิดมันก็จากอบายสู่อบายก็ไปกันนี้เอางี้นะถ้าเอาปลามานั่งจับมาไว้ตรงนี้มาฟังทำรรกับไปปล่อยในน้ําหมัหนมจะดีใจกันใช่ไหมมันก็อย่างว่าทีมันก็ไปอัศรธะแบบนั้นอีกนะใช่ก็ธรรมชาติคือราคะก็ธรรมชาติ นะเพราะธรรมชาติคือราค้านี่แหละไปให้ชอบธรรมชาติแบบนั้น เ, เดี๋ยวจะเล่าไออันนี้ฟังมีมีพระรูปหนึ่งคือพรักปิระเนี่ยนะท่านบวชเข้ามาแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกเลยนะแตกฉานมากรู้หมดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยนะทีนี้ตอนหลังเนี่ยไอความที่ลาบสการะเป็นต้นเนี่ยครอบงํามากกันนะก็บิดเบือนพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสก็บอกไม่ตรัสพระองค์ไม่ตรัสก็บอกว่าตรัสเป็นต้นเนี่ยนะ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็บิดเบือนอย่างนี้ไปเรื่อยตอนหลังก็จุติตกนรกหนึ่งพุทธันดอนเลยก็แล้วก็พอพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นปลาทีนี้เกิดเป็นปลานี่ปลาเกล็ดเหมือนทองหมดเลยถามว่าอั น, นิสงส์อะไรที่ทำให้เกล็ดเนี่ยเหมือนทองก็บอกว่าก่อนหน้านั้นมาบวช ด, ดีรักษาศีลดีเป็นต้นเนี่ยนะศึกษาด้วยความเคารพไอ้บุญันนั้นก็ทาให้เกิดเป็นเกล็ดทอง แต่ว่าปลาเนี่ยอ้าปากปั๊บเหม็นตลบทั้งเมืองเลยว่างั้นโทษที่บิดเบือนคําสอนเนี่ยนะแล้วก็มีชาวประมองอยู่ห้าร้อยคนเนี่ยนะเป็นเด็กนมนมลูกชาวประมงก็ไปจับปลาตัวเนี้ยได้พอจับมาได้ก็เอาไปเฝ้าพระราชาเนี่ยเอาจะถวานี่เอาปลาไปให้พระราชานะพระราชาก็บอกเออแปลกดีก็เลยจะเอาปลาเนี่ยไปไปหาพระพุทธเจ้าดูพระองค์จะว่ายังไงเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าปลานี้ไปยังไงมายังไงก็เอาไป พอไปปลานี่ก็อ้าปากมันก็เม้นตลบวัดหมดเลยเนี่ยเสร็จแล้วพระเจ้าประเสริฐนี่โกศลก็ถามว่าบุพกรรมไปยังไงมายังไงพระองค์ก็เล่าว่าปลาเนี่ยชื่อว่ากปิละเนี่ยนะก็บอกว่าปลากปิละก็เล่าให้ฟังก็เอามาถามบอกว่าตอนเนี้ยพี่ไปไหนบอกพี่นิพผานแล้วแม่น้องสาวอ่ะแม่เขาก็บวชเป็นภิษุนีน้องสาวก็บวชเป็นภิษุนีแต่ถือเอาคติเยี่ยงอย่างพระกปิละบอกตอนนี้อยู่ไหนอยู่เวจีหมดเลย นนแล้วเธอมาจากไหนก็บอกมาจากอเวจีแล้วจะไปไหนจะไปอเวจีว่างั้น<ม>ก็วิปปติสารก็เอาหัวเนี่ยเคาะเรือนะเคาะไอ้ที่เรือก็จุติอเวจีใหม่เนี่ยนะไอ้ที่บุญก็บุญละไอ้ที่บาปก็บาปละเนี่ยนั่นะนนะีผลบุญผลบาปมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาท ก, กันแล้วกันและอย่างหนึ่งเนี่ยนะกรรมที่เราทําไว้ก็ไม่ไเนว่าเฉพาะชาตินี้ชาติเดียว เอาคิดดูว่าเราร้องไห้เนี่ยนะในอดีตสังสารวัตรนี่ร้องไห้มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรคิดดูว่าโทสะเราจะสะสมมาขนาดไหนเนี่ยนะเพราะทุกครั้งที่น้ําตาไหลด้วยโทสะเนี่ยนะเสียใจเป็นต้นเนี่ยคือโทสะที่สะสมมาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิเลสอวิชชาตันหาที่สะสมมามหาศาลกิเลสอวิชชาตันหานี่เวลาเขาเกิดขึ้นเขามีสิ่งที่เกิดด้วยอย่างหนึ่งคือเจตนาเนี่ยนะเจตนาอันนั้นเนี่ย ขณะที่เกิดก็เป็นสหาชาตกรรมปัจจัยถ้าเขาดับไปก็เป็นสามารถเป็นนานัคขาคณิก ก, กรรมปัจจัยตัณหาก็เป็นอุปนิสัยชีวิตจะขึ้นจะลงจะสูงจะต่ําก็เนื่องจากตัวเจตนาแต่ตัณหาพาเกิดอย่างเดียวเขางานเขามีเท่านั้นแหละก็เหมือนกับแม่นะมีหน้าที่ให้เกิดอย่างเดียวแต่ว่าเกิดแล้วตระกูลแค่ไหนอยู่ที่พ่อเหงืองนกันอยู่ที่พ่อคือคือเจตนากรรมเนี่ยนะชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ มันก็ไม่ประมาทอะดีที네่สุดนะนะพุทธพจน์ตรัสว่าอันนั้นนะอัประมาเทนะสัมปาเททาติเนี่ยนะเธอทั้งหลายจงยาประมาทเนี่ยนะในการยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ให้ถึงพร้อมเนี่ยนะข้อความในสุนทริกสูตรนี่ก็ดีนะพูดถึงพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ที่มีคุณธรรมควรแก่เครื่องบูชาว่างั้นเหะ ทำไมจึงบอกว่าการบูชาพระพุทธเจ้านี่ดีหรือเกินเนี่ยนะซึ่งพรามได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพเจ้ายินดีแล้วในยันคำว่ายันตัวนี้แปลว่าการบูชาเนี่ยนะการบูชาใครจะบูชายันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบชัดขอท่านจงพร่ำสอนข้าพเจ้าเถิดขอท่านจงบอก ซึ่งเป็นที่สำเร็จแห่งการบูชาแก่ข้าพเจ้าเถิดเหมือนกันเถหมายความว่าถ้ามีของแลว้วเนี่ยนะมีข้าวของเครื่องใช้มีข้าวปลาเป็นต้นเนี่ยนะมีอาหารมีระเบียบดอกไม้ของหอมเนี่ยแล้วมีใจที่จะทำด้วยถามว่าควรไปทำที่ไหนควรไปบูชากับใครเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงเงีย่ยโสดลงเถิด เราจากแสดงธรรมะแก่ท่านท่านอย่าถามถึงชาติจงถามแต่ธรรมะสำหรับประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดแต่ไม้แลแม้ผู้ที่เกิดในสกุลต่ำเป็นมุนีมีปัญญาเป็นผู้เกียรติกันอากุศลวิตกด้วยหิริรู้เหตุการณ์ได้โดยฉับพลันก็มีเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าอย่าถามถึงชาตินคือสุนทิกะ พราหมณ์คนนี้เนี่ยเขาถือเรื่องชาติเนี่ยสำคัญมากะนะคนที่จะควรบูชาเนี่ยถ้าตามความคิดของเขาก่อนหน้านี้ต้องเกิดจากสกุลที่สกุลพราหมณ์อย่างเดียวนะแล้วสกุลพราหมณ์ต้องบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเนี่ยนะครัแม่ก็ต้องแม่เป็นพราหมณ์มาแล้วเจ็ดชั่วโคตเนี่ยนะปู่ของปู่ของปู่เออปู่เออตาของตาของตาของตาเป็นต้นเนี่ยยายของยายของยายเนี่ยแต่ละสายมาเนี่ยโหพราหมณ์ไม่เคยปะปนกับสกุลอื่นมาเลย นะสายของปู่ของปู่ของปู่ปปก็โอ้โหสกุลพราหม์มาหมดเลยนะอันก็ต้องเขาต้องเอาแบบนั้นอะจึงจะเป็นพราหม์แท้เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่าอย่าพูดถึงตรงนั้นนะถ้าท่านหวังความมีผลมากในการบูชาความสําเร็จและการให้จงอย่าถามถึงชาติเพราะการถามถึงชาติไม่เป็นเหตุในการพิจารณาถึงทักขิณายาบุคคลบาชาติตระกนี่อย่าเอามาเป็นอันดับหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องของ ทักขินายาบุคคลเนี่ยนะบุคคลผู้ควรแก่เครื่องสการะจงถามแต่ธรรมะสําหรับประพฤติเนี่ยนะก็คือให้ถามหาว่าเขามีคุณธรรมคือศีลไหมคุณธรรมคือศีลคุณธรรมคือสมาธิคุณธรรมคือปัญญาวิมุตติยานนณทัศนะเพราะว่าคุณธรรมตัวนี้นี่แหละจะเป็นองค์ประชุมให้รู้ว่าบุคคลเนี่ยเป็นทักขินายาบุคคลหรือไม่เนี่ยนะ นั้นความเป็นทักษิณในยบบุคคลอยู่ที่คุณธรรมเพราะฉะนั้นให้ถามแต่ธรรมะสําหรับประพฤติเถิดทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าอการถามถึงชาติตระกูลไม่ได้เป็นเหตุแน่นอนเนีย่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะตระกูลคนเทอยากยื่อเรียกว่าเทดอกไม้เนี่ยนะตระกูลเทดอกไม้คือตระกูลยังไงคือตระกูลสมัยก่อนไม่มีห้องน้ําเขาก็จะถ่ายอุจจาระเนี่ยนะลงในพวกกระโถนพวกอะไรเนี่ยนะแต่ก็เอาดอกไม้มาโปะๆไว้ข้างบน เสร็จแล้วก็มีแผนกที่ทําอาชีพขนในพวกเนี้ยไปเทเขาเรียกอาชีพนี้อาชีพเทดอกไม้ว่า ง, งั้ น, น, น, นก็เ hey ทอุจระนั่นเองเหรนไะงเมื่อกัไม่มีส้วมแบบนี้มั้งเพราะฉะนั้นอาชีพแบบนี้ที่มาบวชแล้วประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นพระอารหันต์ก็มีเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมเนยะธรรมโมเนยะธรรมทางกายโมเนยะธรรมทาง วาจาแล้วก็มีโมนยธรรมทางใจเนี่ยนะเป็นมุนีระดับพระขี่นาศเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็สามารถเกียรติกันอากุศลวิตกด้วยหิริเนี่ยนะหมายถาว่าถ้าอากุศลจิตจะเกิดเป็นการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็กันอากุศลวิตกอันนั้นด้วยหิริเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไงก็ละอายใจที่จะคิดชั่วนะ ผู้ที่เกียกรติกันแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้ได้ก็มีอยู่แบานั้นพรามผู้มุ่งบูนบูชาพึงหลังทัยธรรมในทักษิณยบุคคลผู้ที่ฝึกตนด้วยสัจจะผู้ประกอบด้วยการฝึกฝนอินทรีย์ผู้ถึงที่สุดแห่งเวทผู้อยู่จบพรหมจรรย์ตามการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหลังไหลทักษิณยทักทก็กทยธรรมเนี่ยนะทยธรรมคืออะไร คำว่าไทยยาธรรมเป็นชื่อของปัจจัย4ี่เนี่ยนะหรือวัตถุทานนะนะถ้าพูดตามสำนวนวินัยได้แก่จีวร อ, อาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคถ้าพูดตามสำนวนพระสูตรก็ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมยวดยานพาหนะประทีปโคมไฟเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าพูดตามพระสูตรถ้าพูดตามพระพิธรรมก็รูปเสียงกลิ่นรสและ โพธะพระธรมรมลมเนี่ยนะที่ที่ควรแก่การให้นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะหลังทายธรรมอันนี้เนี่ยควรหลังในผู้ที่ฝึกตนด้วยสัจจะมั้งน่นคำว่าฝึกตนด้วยสัจจะหมายถึงปรมัทสัจจะนะปรมัทสัจจะเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะผู้บรรลุ ป, ปรมัทสัจจะนั้นชื่อว่าผู้ฝึกตนแล้วเนี่ยนะจนที่ฝึกแ ท, แทจจ้จริงอ่ะนะต้องฝึกจนระดับเห็น นิพพานเนี่ยนะเห็นนิพพานนี้เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยอริยมรรคอริยมรรคก็มีอุปนิสัยมาเนี่ยนะคืออ า, า, าศัยไตรสิกขานั่นแหละผู้ประกอบด้วยการฝึกฝนอินทรีคำว่าฝึกอินทรีหมายความว่ารับอารมณ์ในทวารหและจิตไม่เป็นอกุศลเลยในทุกอารมณ์มันนะไม่มีอารมณ์ไหนใจท่านเป็นอกุศลเลยเพราะอะไรเพราะอะไรจึงทาได้ขนาดนั้น เพราะทำปริญญาในทุกอารมณ์หรือมีสัมปชัญญะในทุกอารมณ์หมดเลยคือเขาใคร่ครวญหมดแลยในในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะพิจารณาอย่าทุกอารมณ์อย่างละเอียดทีท้วนมาแล้วก็เลยไม่เป็นอา ร, รมณปัจจัยของอากุศลเลยว่างั้นเรียกว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะสติเป็นยังไงเลอะเลือกู้ <c oughs> ที่จริงเนี่ยนะเขาบอกคำว่าเลอะเลือลกู้แปลว่าไม่เลอะเลือน แปล ว, ว่าไม่ฟั่นเฟือหวังงั้นเถอะระลึกอะไรบ้างอ่ะเหมือนอะไรเหมือนปริญายกแก้วนะเขาสา ม, มารถระลึกถึงรัตนสิบของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วมาทบทวนให้พระเจ้าจากักรพรรดิฟังของเราเนี่ยนะถ้ามีสติเนี่ยนะเวลาเห็นเนี่ยนะร ะ, ะลึกอะไรก่อนเป็นคาราวาททั่วๆไปควรระลึกอะไรก่อนสูงสุดยอดเลยเอากรมาบทก่อนเนาะอย่านะ้ลองระลึกถึงว่าเออเนี่ยอารมณ์เนี่ยก่อให้ ผิกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทอะไรบ้างอ่านะในชั้นต้นอ่านะเนี่ยนะหรือว่าถ้าเกี่ยวข้องอา ร, อรมณ์เนี่ยจะทําบาปกรรมอะไรบ้างถ้าจะทํากุศลเนี่ยกุศลอะไรบ้างหรือถ้าในฐานะเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อเจออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งระลึกถึงคําสอนได้ไหมเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่ามีมีสติเนี่ยนะในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยคำสอนว่าอย่างไรแล้วมีสัมปชัญญะแหละและประโยชน์ของสิ่งนั้นนเนี่ย น, นะ น, นั่นก็เป็นอ si ินทรีสังวรเนี่นะเพราะว่าต้องอาศัยสติสติที่จะมีคุณภาพจริงๆต้องเป็นสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะสัมปชัญญะตั้งแต่ศาถกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอะไรสปายะสัมปชัญญะแล้วก็อะซัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะเป็นพูดถึงที่สุดเวท เวทนี่เป็นชื่อของความรู้เนี่ยนะคำว่าเวทเนี่ยนะเป็นผู้ถึงที่สุดเวทความรู้ที่สุดเนี่ยระดับไหนที่สุดของความรู้จริงๆเนี่ยอยู่ระดับไหนอรหัตตมรักษ์เนี่ยนะจึงว่าที่สุดเวทจริงๆก็ต้องระดับอรหัตตมรักนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่อรหัตตมรักจะเกิดมรักทั้งหลายก็จะเกิดโดยลําดับนะเพราะอะไร อ, อ, อ, ร, อรหัตตมรักก็ต้องอาศัยมรักอะไรเป็นอุปนิสัยให้ สกาทาคามีมักนอนาคามีมักอนาคามีมักก็ยังต้องอาศัยสกาทาคามีมักเป็นอุปนิสัยให้สกาทาคามีมักก็ต้องอาศัยโซดาปฏิมักเป็นอุปนิสัยให้ผู้อยู่จบพรหมจรรย์ตามการถ้าจะให้จะทำบุญเนี่ยนะควรทำบุญกับผู้อยู่จบพรหมจรรย์คำว่าจบพรหมจรรย์นี้พรหมจรรย์นี้มีสองอย่างคือหนึ่ศาสนรพรหมจรรย์สอง มัคครมจรย์ในที่นี้หมายถึงผู้อยู่จบมัคคพรมจารย์ทีนี้ถามว่าจบมัคคพรมจรรย์เนี่ยนะถามว่าพรมจารย์เนี่ยกิจของเขาคืออะไรกิจของพรมจารย์เนี่ยคืออะไรกิจคือการกาหนดรู้ทุกกิจคือการละสมุทัยกิจคือการทำนิโรธให้แจ้งกิจคือการเจริญมักให้บริบูรณ์นั้นขณะอริยมัชเนี่ยนะ ขณะนั้นแหละเรียกว่าทํำทำกิจอรหัตตาพนเนี่ยทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะมันไม่ต้องบําเพญ็ญศีกขาข้อใดข้อหนึ่งอีกแล้วที่ท่านเข้าพระสมาบัติเป็นต้นก็เพื่อที่ธรรมะสุขวิหารธรรมอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านจบแล้วเพราะว่าเหตุแห่งปฏิสนธิในภพใดๆก็ก็จบหมดแล้วไม่ต้องอะไรอีกแล้วหว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทําบุญก็ควรทําบุญกับพระอรหันต์อย่างที่ว่า ผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้นะมีอยู่ในพระพุทธเจ้าหมดเลยเมื่อเช้าเราก็พูดถึงอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถึงพระองค์จะดับขันปริณีพานไปแล้วหรือยังมีพระชนอยู่ถ้ามีศรัทธาเท่ากันก็ผลก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ในบรรดาบุคคลที่เราควรระลึกถึงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเลิศที่สุดเหมือนกนชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดมั่นอะไรเที่ยวไป มีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกับสวยที่ไปตรงฉะนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญเพึงบูชาพึงเพ่งหลังทายธรรมในชนเหล่านั้นตามการนะละกามทั้งหลายได้แล้วกามมีกี่อย่าง oh. กามมีสองอย่างเนี่ยนะคือวัตถุกามและกิเลสกามทีนี้ละวัตถุกามเนี่ยละด้วยอะไรวัตถุกามนีรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะเนี่ยละได้ด้วยอะไร วัตถุการมนี่ละได้ยังไงโอ้โหหมอเนี่เก่งนะละด้วยการกําหนดรู้นะวัตถุกรมละด้วยการกําหนดรู้เนี่ยนะหรือด้วยการทําปริญญากิเลสกรรมละด้วยประหาร น, นะเนี่ยนะเพราะว่าวัตถุการมเป็นสัจจะอะไรนะวัตถุกรมรูปเสียงกลื่นรถเป็นทุกขศสัสตร์ควรกําหนดรู้กิเลสกรรมเป็นสมุทัยศาสตร์ควรละ เพราะนคำว่าละในที่นี้บางอย่างละด้วยการกําหนดรู้บางอย่างละด้วยการปรหารคือละจริงๆนะเนยไม่ยึดมั่นอะไรอะไรเที่ยวไปเนี่ยนะคือไม่มีอุปาทานในทุกอารมณ์เลยไม่มีการมุปาทานที่ถูกปาทานศีลพัตุปาทานอั ต, ตาวาทุปาทานในทุกอารมณ์แล้วก็เที่ยวไปแล้วก็สํารวมดีแล้วเนี่ยนะสำรวมตนเหมือนกันเถอมีตนสํารวมดีแล้วก็เนื่องจากไม่เป็นไปกับ ราคาไม่เป็นไปกับโทสะไม่เป็นไปกับโมหะเนี่ยนะเหมือนกระสวยที่เป็นไปตรงอุปมานี้นึกไม่ค่อยออกเลยเป็นยังไงกระสวยไปตรงกระสวยทอภาพพุ่งอย่างนี้ไปตรงอ่ะนะไม่คดรอ่ะนะแต่ก็ยังนึกๆึกแบบนั้นเอ๊ะมันยังเงี้ยหรือไปตรงอาจารย์เขามาได้มันก็ที่เขามีอย่างนี้มันมองตรงอันนี้เรียกกระสวยแล้วกระสวยแล้วไม่พูดถึงกระสวยสิอันนั้นต่อไปแล้วกันว่าชนเหลาา่าใดปราศจากราคา มีอินทรีตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วจากการจับของกีเลศเปล่งตังอยู่เหมือนพระจันทรที่พ้นแล้วจากการเบียดเบียนของราหูสว่างสวัยอยู่ฉะนั้นพรามพึงหลังทยธรรมในชนเหล่านั้นตามการคนที่ควรแก่การเครื่องบูชาจริงๆก็คนที่ปราศจากราคะพระ อ, องค์ตรัสในคาถาธรรมบทนี่นะสมัยที่พระองค์ขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงอภิธรรมเนี่นะ องพูดถึงยังไงว่าหญ้าทั้งหลายเนี่ยเอ้ยขอไปนาทั้งหลายมีอะไรเป็นโทษมีหญ้าเป็นโทษเนี่ยนะถ้าจะปลูกข้าวปลูกอะไรก็หญ้าเนี่ยเป็นโทษของนาทั้งหลายมูสัตทั้งหลายก็มีราคะเป็นโทษมีโทสะเป็นโทษมีโมหะเป็นโทษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทานที่ให้กับผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วจึงเป็นทานที่มีผลมากเป็นทานที่มีอนิสงส์มาก ถามว่าถ้าสมัยนี้ถ้าเราจะให้แบบนั้นควรทํำยังไงถ้าถ้าเอ๊ะพระภิสูจน์ที่มารับทานหรือสัมมนเนนเป็นต้นที่มารับทานของเรานะแล้วเราจะไปให้ยังไงอ่ะให้คนหมดราคะโทสะโมหะเนี่ยนะควรตั้งจิตยังไงคิดยังไงไก็เราก็ทําแบบลักษณะสังฆทานจีเจริญสังฆ ค, คุณไปด้วยเนี่ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะ สาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีโมหะสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติละลาคะโทสะโมหะเนี่ยนะแล้วก็ให้ทานไปโดยการเจริญสังขานุสติไปด้วยนี่นะมุ่งไปหาบุคคลเหล่านั้นเนี่ย น, น, นะก็อันนั้นก็เป็นผลบุญของเราอย่างอย่างมหาศาลเราไปแต่งผู้รับไม่ได้เราก็แต่งใจเราเองอะนะเพราะทั่วที่เป็นบุญจริงๆก็คือ ใจของเรานั่นแหละเพรา ะ, ะ น, นเวลาจะให้เราก็เจริญสังฆคุณอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ชั้นชั้นดีใช่ไหมจิตก็เป็นจิตที่ดีเวลาทําไปของสิ่งนั้นก็มีผลมากเมีย น, นิสงมากถ้าเจริญเป็นนะการให้อ น, นั้นเป็นภาวนานะไม่ใช่ท า, านกะุศล น, นะนนะไม่ไม่ได้อยู่ระดับทานนะจะเป็นระดับภาวนากุศลเลยถ้าถ้าเจริญเป็นแล้วก็ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ตั้งมั่นแล้วอันนี้หมายถึงว่าไม่มีอุทธะเลยว่างั้นเถะ ไม่มีอุทจจารมเริบเลยไหมแต่นิดเดียวหลุดพ้นจากการจับของกิเลสเขาบอกว่ากิเลสเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับสนิมเหม น, นะสนิมถ้าสนิมเกิดในเหล็กก็ทำลายเหล็กเนี่ยให้เสียหายสนิมถ้าเกิดในทองก็ทำให้ทองเนี่ยเสียหายฉค่ไหนก็ดีกิเลสทั้งหลายเมื่อเกิดในจิตเนี่ยนะมันก็จับจิตแล้วก็ทาให้จิตนั้นถึงความเศร้าหมองคนที่ พ้นจากกิเลสจับแล้วเนี่ยนะเนื่องจากไม่มีอุปนิสัยของกิเลสเลยเพราะเชื้อที่จะทําให้มีกิเลสเนี่ยถูกละไปแล้วเชื้อคือสกายยะทิฐิก็ถูกตัดตั้งแต่โสดาปฏิมัคเชื้อคือราโทสะก็ถูกตัดตั้งแต่อนาคามิมัคเชื้อคือราคะและโมหะก็ถูกตัดด้วยอรหัตตมัคเพราะฉะนั้นจิตของท่านไม่ถูกกิเลสเนี่ยจับเลยพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนั้นนะไม่มีกิเลสจับเลยแม้แต่อารมณ์เดียว อย่าว่าอารมณ์ที่เป็นของมนุษย์เลยอารมณ์ที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะกิเลสพระพุทธเจ้ายังไม่มีเกิดเลยอชนเหล่าใดไม่เกี่ยวข้องอะไรเป็นคําว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นชื่อของราคะทิฏฐิราคะโทสะโมหะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวทําให้เกี่ยวข้องเนี่ยนะชนเหล่าใดไม่เกี่ยวข้องมีสติทุกเมื่อละนามรูปที่คนพานถือว่าเป็นของเราได้แล้ว เที่ยวไปในโลกพรามพึงหลังทัยธรรมในชนเหล่านั้นตามการคนที่ไม่เกี่ยวข้องคือไม่มีราคะโทสะมโมหะเป็นเครื่องเกี่ยวข้องมีสติทุกเมื่ออันนี้พูดถึงเป็นผู้ภัยบูรด้วยสติละนามรูปเอพรหันนี่ท่านไม่มีนามรูปหรือท่านเดินไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จเนี่ยมีนามรูปไปด้วยไหมมีเอาแล้วบอกว่าละนามรูปเป็นไง ก็ท่านละตันหาและทิฏฐิที่คนพานถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราในนามรูปหมดแล้วเนี่ยนะท่านก็เกี่ยวข้องกับอยู่กับนามรูปแต่อยู่ในฐานะคนที่ทาปริญญาบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะแต่คนพานเมื่อไม่ทาปริญญาในสิ่งเหล่านี้ก็เออรูปนามนี่เป็นเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะภาษาไทยอาจจะไม่ใช้คำว่ารูปนามก็ได้ใช้ว่าไง ก็คือสาคัญในเรื่องเช่นร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะสคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเรา<ของ>เป็นอัตตาของเราเนี่ยนะสสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคนพาลคำว่าคนพาลคืออะไรคือคนเขลาเนี่ยนะคนเขาที่ไม่ยังถึงสัจธรรมคนที่ไม่เห็นสัจธรรมนั่นแหละเรียกว่าคนคนพาลแต่โดยเฉพาะทั่วไปคำว่าคนพาลคือคนที่ ไม่ได้สดับธรรมะของพ ร, พระองค์นั่นเองเนี่ยนะไม่มีวินัยของพระอริยะเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าคนพานซึ่งจะได้กล่าวถึงข้างหน้าอีกครั้งพระตถาคตละกามทั้งหลายได้แลว้วครอบงํำกามทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับความเร่าร้อนได้แลว้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห่วงน้ําที่ย่อมเครื่อย่อมควรเครื่องบูชายกพระองค์ขึ้นมาเลยนะว่าพระองค์นี่คู่ควรแก่เครื่องบูชาเพราะ ละกิเลสกามได้แล้วเนี่ยนะคำว่ากามตรงนี้พาะพระ อ, องค์ละกิเลสกามได้แล้วเพราะอะไรเพราะวัตถุกามก็เป็นอา ร, รมณะปัจจัยของจิตของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ไม่มีกิเลสกามให้ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเลยแล้วก็ครอบงามกามคือครอบงมวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการทำปริญญาในวัตถุกามหมดแล้วรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะที่สุดของชาติและมรณะที่ไหน ที่ไหนเป็นที่สุดของชาติและมรณะนิพพานนิพพานนะนิพพานนี่เป็นที่สุดใช่ไหมก็อย่างเช่นชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยนะที่สุดของชาติก็ต้องเป็นนิพพานเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่สุดของชาติคือนิพพานได้หมดแล้วเนี่ยนะก็ดับความเร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นหมดแล้วเย็นเหมือนห่วงน้าก็เหมือนกับ ห่วงน้ำที่ดวงอาทิตย์มันส่องไม่ถึงกนะก็เป็นห่วงน้ำที่ที่เย็นชันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระตถาคตผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลาจากบุคคลผู้ไม่เสมอทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาไม่มีที่สุดผู้อันตันหาและทิฐิไม่ฉาบทาแลว้วในโลกนี้หรือในโลกอื่นย่อมควรเครื่องบูชาพระองค์นี้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถา่าเสมอด้วยอะไรบ้างเสมอด้วยการตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าองค์กรกรกรเนี่ยตรัสรู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าองค์เราก็ตรัสรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ไม่เสมอกันก็เหมือนกันมีนะเช่นอายุเนี่ยไม่เท่ากันพระวิปัสสีอาจจะหลายหมื่นปีเงี้ยพระองค์ก็ไม่ถึงร้อยปีอยเงี้ยนะแปปีอเงี้ยนะอันอายุก็แตกต่างกันตระกูลก็แตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ตระกูลพราหมณ์บางองค์ก็ตระกูลกษัต ร, ริย์รัศมีก็ไม่เท่ากัน รัศมีเนี่ยนะพระยามพระพุทธเจ้าของเราก็หนึ่งวาเป็นปกติพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะไม่ต้องใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเนี่ยนะรัศมีของพระองค์เนี่ยกลบตลอดเลยเนี่ยนะเหมือนกับไม่มีกลางวันกลางคืนเลยนะเพราะมันสว่างตลอดเลยสังเกตจากเสียงนกจึงจะรู้ว่าตอนนี้กลางคืนหรือตอนนี้กลางวันเอาเขงงาว่ากันอั้นพระองค์นี้เสมอกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆทั้งหมดเลยด้วยอํานาจการ ตรัสรู้ด้วยอํานาจศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญานัตสนะคุณธรรมในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแตกต่างกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเลยแต่แล้วพระองค์นี้อยู่ห่างไกลาจากผู้ไม่เสมอทั้งหลายถามว่าพระองค์นี้อยู่ไกลใครบ้างพระองค์นี้อยู่ห่างไกลพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายมั้งนั้นเพราะว่าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเนี่ยนะบางแห่งอธิบายว่าถึงท่านนั่งสมาธิเนี่ยนะ เต็มชมพูทวีปหมดเลยนั่งขัสสมาที่เขา่าจดเข่าเนี่ยนะนั่งนๆ่งนงจดกันบอกทั้งหมดนั้นอะ่ะเทียบพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นห่างจากพระประเจก พ, พุทธเจ้าห่างจากพระสาวกมหาศาลห่างจากพระอนาคามีห่างจากพระสกท า, าคามีห่างจากพระโสดาบันทีนี้ถ้าปุถุชนนั่นจะห่างขนาดไหนเนาะ โอห่างมหาศาลจริงๆเลยนะขนาดพระประเจกยังห่างกันเลยนะถ้าโดยคุณธรรมทั้งหมดแล้วห่างหมดทุกเรื่องเลยนะหม ด, ม, ดมิดเลยนะก็ทั้งหมดอะไรเวนพระก็พระอริยะท่านยังห่างเลยนะพระพระประเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีปัญญารองเท่านั้นเองนะยังห่างเลยอะ่ะเป็นผู้มีปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะปัญญาของพระองค์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ ก็ถ้าเราเราลองมาเปรียบเทียบกับคนมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะปัญญาของผู้ศึกษาพระธรรมกับไม่ศึกษาก็กแตกต่างกันอย่างคนคนป่ากับคนเมืองก็ความรู้ก็แตกต่างกันใช่ไหมในบรรดาคนเมืองด้วยกันคนที่มีการศึกษาก็มากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยน ะ, ะคนที่ศึกษาเนี่ยนะที่ทรงจําได้ก็แตกต่างกันเป็นต้นทีนี้การศึกษาพระธรรมเหมือนกันเนี่ยนะคนที่ศึกษาพระธรรมทั่วทวไปกับพระอริยาสาวกก็ห่างกันอยู่แล้ว ถาระยสาวกก็ห่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้พระสกาคาทาคามีองค์เดียวไม่ได้พระสกทาคามีร้อยองค์ก็สู้พระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้พระอนาคามีร้อยองค์ก็สู้พระรหารองค์เดียวไม่ได้พระรหารปกติทั่วไปร้อยองค์ก็สู้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นไม่ได้พระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นร้อยองค์ก็ไม่เท่ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่นะเป็นร้อยเป็นพันองค์ก็ พระตถาคตอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าก็สู้กันไม่ได้ปัญญานี่ห่างกันมหาศาลอย่างนั้นแต่เขาจึงเปรียบเทียบว่าปัญญาของพระอรหันต ท, ทั่วไปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับประทีปดวงเล็กๆอ่ะถ้าของพระสารีบุตรก็เหมือนกับแสงสว่างกองโตๆนะไฟกองใหญ่ๆเลยถ้าปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงจันทร์นะดวงจันทร์วันเพ็ญที่สองรัศมีเนี่ยนะ ถ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันที่ไม่มีอะไรปิดบังเลยนะทีนี้ถ้าบอกขนาดธาตรหันทั่ทั่วไปเนี่ยนะปัญญาเหมือนกับแสงหิงห้อยเนี่ยพระสุขาวิปัสสกเหมือนแสงหิงห้อยอะนะของเรามืดตสนิดเลยลเก็ไอที่เห็นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นตัวแบบนาาทิพระาอที่เห็นแบบท่านไม่เห็นอ่ะแต่ก็เนื่องจากมีจักขู่ภาษาท่าอยู่จะว่าบอดตนิทเลยก็ไม่เชิงเหมืนกันนะ แล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ตันหาและทิฐิไม่ไม่ฉาบทาในโลกนี้หรือโลกอื่นพระพุทธเจ้าไม่ยึดติดในโลกนี้แม้แต่อันเดียวและไม่ได้ปรารถนาพบใหม่ในโลกอื่นแม้แต่แต่พบเดียวเลยเพราะฉะนั้นคนที่ดีขนาดนี้แบบนี้นี่แหละจึงคู่ควรแก่เครื่องบูชาว่างั้นพระตถาคตผู้เป็นพรามคำว่าพรามคือลอยบาปไม่มีมายาคือไม่มีความหลอกลวง ไม่มีมานะคือไม่เยอะยิ่งะนะปราศจากความโลภไม่ยึดถือสัตว์และสังขารว่าเป็นของเราหาความหวังไม่ได้บรรเทาความโกรธได้แล้วมีตนดับความเร่าร้อนได้แล้วละมนทินคือความโศกเสียได้ย่อมควรเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่ไม่หวังเลยนะไม่หวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาภาทั้งหลายเลยนะไม่หวังเลยนะด้วยอำนาจของของปัญหาเนี่ยนะ แล้วก็ไม่มีความขัดเคืองในทุกๆอารมณ์ด้วยเนี่ยนะไม่หวังในอารมณ์แต่ก็ไม่โกรธในอารมณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เขลาไม่งมงายในอารมณ์นะไม่งม ง, งายในอารมณ์เลยทุกๆอารมณ์พระองค์รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะและนิสารณะของอารมณ์นั้นทั้งหมดด้วยอันก็ละราคะโทสะโมหะกับทุกๆอารมณ์ได้หมดเลยอันเลยไม่มีความเร่าร้อนละความเศร้าโศกคือโทสะได้หมดแล้ว พระตถาคตละตันหาและทิฏฐิที่อยู่ประจําใจได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิอะไรๆไม่ถือมั่นในโลกนี้หรือในโลกอื่นย่อมควรเครื่องบูชาคําว่าโลกนี้เป็นไงอาโลกคืออะไรก่อนโลกมีกี่อย่างทั้งหมดโลกมีสามอย่างหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งอันนั้นโอกาสโลกสองสังขารโลกสามสัตวะโลกเนี่ยนะ สังขาระโลกเนี่ยนะคือสังขาระโลกเนี่ยแบ่งออกนับเป็นหลายในใช่ัหยสังขาระโลกเป็นชื่อของรูปนามขันห้าเนี่ยนะเช่นโลกหนึ่งก็สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลก2คือนามรูปโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหคืออายตนาภายใน6กโลกเจ็ดคือวิยญาณทิฏิเโลก8ดคือโลกธรรม8ดโลก9้าคือ สตารวาสเก้าโลกสิบได้แก่อายตนะสิบโลกสิบสองได้แก่อายตนะสิบสองโลกสิบแปดได้แก่ถ้าสิบแปดเนี่ยนะอ่าโลกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะในส่วนในภพนี้อ่ะก็ไม่มีคือคือเนื่องจากว่าตัดเชื้อที่จะมีในภพต่อไปได้หมดแล้วอคําว่าโลกนี้ไม่มีเนี่ยคือไม่ถือมั่นโลกทั้งหมดเลยนะทั้งแต่โลกหนึ่งถึงโลกสิปดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีเลยอะ่ะ ไม่มีตันหาไม่มีทิฏฐิในอารมณ์เหล่านี้เลยนะไม่มีอวิชชาในโลกทั้งหลายเหล่านี้เลยเพราะเพราะอะไรเพราะโลกพระองค์ทรงกําหนดรู้แล้วโลกกษัมูทัยพระองค์ทรงละแล้วเนี่ยนะโลกกันิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วโลกกันิโรธถาคามินีปฏิปทาพราะองค์ก็ทรงเจริญหมดแล้วเนี่ยนะมัน<ๆ>ก็เลยไม่มีตันหาทิฏฐิในโลกนี้หรือโลกอื่นเนื่องจากแทงตลอดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ไม่หวังในโลกใดโลกหนึ่งเลย นนะนะโลกหนึ่งสองสามสี่พองไม่หวังสักโลกหนึ่งเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแบบเนี้ยควรแก่เครื่องบูชาเนี่ยนะถึงเราปฏิบัติยังไม่ได้นะถ้าได้บูชาท่านก็ได้บุญเยอะแล้วเบนะูชาจะปูชนียานังเอตมังกะลมุมตมังนะพวกนี้เป็นมงคลอยู่แล้วพระตถาคตมีจิตตั้งมั่นแล้วข้ามโอคะได้แล้วและได้รู้ธรรมะด้วยทิฏฐิอย่างยิ่งมีอาสวะสิ้นแล้ว ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดย่อมควรเครื่องบูชาจิตของพระพุทธเจ้านี้ตั้งมั่นถามว่าตั้งมั่นระดับไหนพระพุทธเจ้านี่ตั้งมั่นด้วยระดับไหนคือจิตตั้งมั่นเนี่ยนะบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะกามะบุคคลทั่วไปตั้งมั่นด้วยคณิกาสมาธินะคนที่ฝึกกรรมาฐานระดับหนึ่งเนี่ยนะก็ตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิคนบางคนก็สูงกว่านั้นก็ตั้งมั่นด้วยอัปปนาสมาธิคือปฐมฌานบางคนก็ตั้งมั่นด้วย ทูติยะฌานตติยะฌานจตุทัชฌานบางคนก็ตั้งมั่นด้วยอ่านะอาการสารัญญายตนาะวิญญาณัญญายตนาะอากินัญญายตนาะและเนวสัญญาณาสัญญายนะตนะบางคนตั้งด้วยโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลบางคนตั้งด้วยอน า, าคามีมัคอน า, าคามีผลบางคนตั้งด้วยอรหัตตมัคอรหัตตผลพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นด้วย อรหัตตผลแล้วอรหัตตผลระดับจตุธาชานแนั้ น, นะมันเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นอย่างจริงๆเลยนะไม่ได้ตั้งมั่นแบบธรรมดาเลอเกินกนั้นเทียบคุณภาพจิตความนึกคิดนลเหมือนทางกันมหาศาลพวกนี้ข้ามโอคาได้แล้วโอคาเป็นชื่อของห่วงน้ำเนี่ยนะพุทธพจน์อย่างหนึ่งให้งไงนะีบุคคลย่อมข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาเนี่ยนะโอคามีสี่อย่างนหนึ่ง กาโมคะเนี่ยนะสองวอพวคะสามทิถโคะสี่อวิชโค ะ, ะเนี่ยนะกามโมคะกับพวคะเป็นชื่อของโลภะทิถโคะเป็นชื่อของทิฐิอวิชโคะเป็นชื่อของโมหะหรืออวิชชาเนี่ยนะทีนี้โอคะเหล่านี้จะข้ามได้ยังไงอทิถโคะข้ามด้วยอะไร<อ>นะ ทิฏโขฆ่ข้ามด้วยโซดาปฏิมักกามโมค่าข้ามด้วยอนาคามิมักพระโวค่ากับอวิชโชคะข้ามด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะจึงจะข้ามไอโอฆ่เหล่านี้ได้นะรู้ธรรมะแล้วคำว่ารู้ธรรมะธรรมะในที่นี้ได้แก่ญาญาธรรมทั้งหลายเนี่ยนะญาญาธรรมทั้งหลายสังขารวิการบัญญัตินิพพานเนี่ยนะทั้งที่ถ้าสังขารก็ ทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเนี่ยรู้หมดเลยว่างเพราะเยยธรรมสิ่งที่ควรรู้มีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยนะพระองค์รู้หมดเลยไม่มีอะไรที่ที่ไม่รู้เอางี้เราบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้อารมณ์เท่าไหร่เนนะี่ยนะพระพุทธเจ้ า, าก็รู้เท่านั้นสมมุติถ้าเราเกิดมาเนี่ยนะรับรู้อารมณ์เท่าไหร่นะทุกๆคนเลยนะทุกๆพทุกๆภูมิเนี่ยนะรู้อะไรเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็รู้เท่านั้นอันนี้นะสรุปแล้วสิ่งที่สัตว์รู้พระพุทธเจ้ารู้ สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สัตว์ไม่แน่ว่าจะรู้หรือเปล่า <c oughs> แต่พองรู้นะแต่ว่าจิตพงไม่เป็นแบบเราเนาะรู้รู้อย่างที่เรารู้นั่นแหละแต่ราคาโทสะโมหะไม่เป็นแบบแบบคนทั่วๆไปรู้แบบนั้นรู้ด้วยทิฏฐิอย่างยิ่งถามว่าทิฏฐิยิ่งเนี่ยแค่ไหนโน่นแหละระดับสัพพัญญุตยางเนี่ยนะจริงจะมาสุดยอดของทิฏฐิอันนะ้ทิฏฐิคืออันนี้นทิฏฐิเ น, นี่ย น, นะหมายถึงสัมมาทิฏฐินะ ถ้าของพระพุทธเจ้าอยู่ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิระดับสัพพัญยุตยานนั่นแหละมีอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยนะมีกามาสวะทิฏฐสวะภวาสวะและอวิชชาสวะสิ้นแล้วทิฏฐสวะเนี่ยสิ้นด้วยมากไหนทิฏฐสวะทิฐาสวะโสดาปติมรรคสิ้นทิฏฐสวะอนาคามิมรรคสิ้นกามาสวะอรหัตมรรคสิ้นอาสวะที่เหลือคือภวาสวะกับ อวิชชาสะวะเนี่ยนะส่งไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดหมายคือว่าทิ้งกายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่ไม่ถือเอานามกายอันใหม่ไม่ถือเอารูปประกายอันใหม่เลยทิ้งกายอันนี้แล้วก็ทิ้งแล้วทิ้งเลยเนี่ยนะไม่มีการถือเอาอีกแล้วเนี่ยนะกลัวศูนย์กันนะงคนเนี่ยอุดเชืที่ทิเนี่ยนะพื้นฐานไหนสากายญาติทิฏมันรุนแรงอะ น, นะเฮ้ยอย่างนี้ก็ศูนย์สิอย่างนั้ น, น ก็ถ้ายังห่วงอยู่ก็ไม่เป็นไรยังห่วงเชื่อมะเร็งเชื่อเอดอยู่ก็เอาไปกันแล้วกันเดี๋ยนะถ้ามีกายอยู่ก็มะเร็งมันเกิดได้ทุกตัวนะเมื่อวันก่อนเนี่ยถามอยู่แล้วว่าไอ้ส่วนไหนบ้างที่มะเร็งมันเกิดไม่ได้ก็ว่างั้น <c oughs> กน็ไอ้ส่วนที่มันงอกนอกกายออกมาเนี่ยแหละข้างวงั้นไอ้ส่วนข้างในนี่เป็นได้หมดเลยเชื้ <c oughs> อโรคทั้งหลายก็ถ้ายังชอบเชื้อโรคอยู่ <c oughs> ก็อยู่ไปกันแล้วกันเดีนะมารนะยถ้ายังชอบเืิดอยู่ก็ไม่ต้องมานั่งเรียนอย่างเงี้ย ต่อไปนะภ า, ว, าวะและวาจาหยาบคายอันพระตถาคตกําจัดได้แล้วทำให้สิ้นศูญไม่มีอยู่พระตถาคตพูดถึงเวทพ้นวิเศษแล้วในธรรมะทั้งปวงย่อมควรเครื่องบูชาเนี น, นะคำว่าภาวะเนี่ยนะเป็นชื่อของภวะตันหาเนี่ยนะคำว่าภาวะตัญหานี้เป็นชื่อของราคะที่ยินดีในชาณจิตทั้งหลายเนี่ยนะ ราคาที่ยินดีในชาณจิตทั้งหลายก็เรียกภวาสะวะเหมือนกันหรือยินดีราคาที่เกิดร่วมกับสัสตตตทิฏฐิก็ชื่อว่าภาวาสะวะเหมือนกันเนี่ยนะยินดีในชาญด้วยยินดีในพพด้วยอย่างหนึ่งหรือว่าเกิดพร้อมกับสัสตตตทิฏฐิด้วยก็เชื่อว่าภวาสะวะเ น, นี่ยนะและวาจาหยาบคาย น, นะคำพูดหยาบเนี่ยนะมีอะไรเป็นสมุธานมีจิตประเภท โทสะมูลจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะอันพระตถ า, าคตกําจัดได้หมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความยินดีในพบความเห็นที่เกิดร่วมกับศาสนาทิฏฐิหรือคำพูดหยาบคายกระแทกแดกดันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่มีสักอย่างเลยนะคำพูดที่มีโทสะเป็นสมุทฐานไม่มีเลยพระองค์นี้ทำให้สิ้นสูญไม่มีอยู่พระตถ า, าคตพูดถึงเวทคาว่าเวทนี่ระดับไหนเมื่อก่อนบอกไปแล้ว ถึงระดับอรหัตตมรรคนั่นแหละเนี่ยนะพูดถึงเวทก็คือถึงอริยมรรคอย่างสมบูรณ์พ้นวิเศษแล้วในธรรมะทั้งปวงเนี่ยนะพ้นวิเศษแล้วจากขันทั้งปวงเหมือนกันเถย่อมควรเครื่องบูชาเนื่องจากเขาเห็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะคำว่าพ้นวิเศษในธรรมะทั้งปวงเนี่ยนะคำว่าธรรมทั้งปวงก็พวกอะไรพ้นจากอายตนะทั้งปวงเนี่ยนะ คนจากขันธาตุทั้งปวงะน่เรียกว่าธรรมทั้งปวงคือไม่มีกิเลสที่ไปยึดมั่นในขันทั้งหลายเหล่านี้เลยพระตถาคตผู้ล่วงกิเลสเครื่องคล้องไม่มีธรรมะเครื่องคล้องไม่เป็นสัตว์ผู้มีมานะในเหล่าสัตว์ผู้มีมานะกําหนดรู้ทุกพร้อมทั้งไร่นาและที่ดินย่อมควรเครื่องบูชานะนะไม่มีกิเลสเครื่องคล้องคือราคาโทสะโมหะเนี่ยนะ ไม่มีธรรมะเครื่องข้องคำว่าธรรมะเครื่องข้องก็เป็นชื่อพวกขันธะยตนะนั่นแหละไม่มีไม่เป็นสัตว์ผู้มีม a n ะในเหล่าสัตว์ผู้มีมานะอา m a นี่ถ้าจะเปรียบเทียบนี่นะอาศัยอะไรมาเปรียบเทียบอนไหเอารูปมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบใช่ไหมเอเวทนาเป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้ามา n จะเทียบกันนะจะแข่งกันก็ห่งรูปเปรียบเทียบสอง เวทนาสัญญาสังขารและว an ิญญาณเนี่ยนะก็อาศัยขันห้านั่นแหละเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันทีนี้ขันห้าทุกขันห้าทําปริญญาเจริญอนุปัสสนาหมดแ ล, แล้วก็ไม่รู้จะเอามาเทียบทําอะไรเนี่ยนะท่านก็เลยไม่มีมานะในเหล่าสัตว์ผู้มีมานะ mm ส่วนสัตว์ที่ไม่ได้ทํากําหนดรู้อุปาทานขันห้าเป็นอย่างดีก็เอาขันห่านี่แหละเป็นเป็นเครื่องเปรียบกันเนี่ยนะมีผมก็เอาผมนี่แหละเป็นเครื่องเปรียบกันมีผิวหนังก็เอาผิวหนังนี่แหละเป็น เครื่องเปรียบเปรียบการมีความรู้สึกก็เอาความรู้สึกเป็นเครื่องเปรียบกันเนี่ยนะมีปัญญาก็เอาปัญญานี่แหละเป็นเครื่องวัดกันนะ่ะแต่ถ้าพระริยะทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเปรียบไปทําอะไรแต่ไม่ใช่ไม่รู้ดีรู้ชั่วนะรู้แต่ว่าไม่เป็นเครื่องเปรียบให้ให้กิเลสเกิดเลยแต่และตัวภาษาไทยแท้ๆแล้วก็ววางช กำหนดรู้ทุกหมดแล้วคําว่าทุกนี่อะไรคือทุกคํานนคคว่าทุก์ในที่นี้หมายถึงทุกในวัตตะทุกในวัตตะเข้าอุปทานขันห้านี่นะที่จริงอ่ะอยางอารูปภพเนี่ยมีอุปาทานขันสี่นะเอกโวกรภพมีอุปาทานขันเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตตะเหมือนกันเป็นกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดนี่นะ อันนีอองศ์กหนดรู้ทุกหมายถึงกําหนดรู้ทุกในวัตตะหมดแล้วนี่นะนั่นแหละธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามหรือวัตตทุกะน ะ, ะคาว่ากําหนดรู้เนี่ยตรงนี้มาจากคําว่าปริญญาแน่นิ่งตรงๆเลยนะธรรมะทำปริญญาในวัตตะในภูมิสามหมดเกลี้ยงแล้วเพราะอะไรไม่มีอะไรที่พ อ, องศ์ไม่กําหนดรูนะ้อย่างเช่นตัวอย่างโลกหนึ่งเนี่ยนะะคำว่าวัาตตทุกเนี่ยธรามาพูดเป็นโลกหนึ่งก็ได้โลกหนึ่งคือสัพเพสาตาหารถิติกาสังขารเนี่ยนะ เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีสังขารไหนที่พระพุทธเจ้าไม่พิจารณาเพราะนั้นพิจารณาหมดเลยสองคือคําว่านามกับรูปโลกสองกันะนามกับรูปพบที่มีแต่รูปล้วนๆพงก็กําหนดรู้หมดแล้วพบที่มีแต่นามล้วนๆพง์ก็กําหนดรู้หมดแล้วพบที่มีทั้งรูปทั้งนามพระองค์ก็กําหนดรู้แล้วนะพบที่มีแต่รูปอย่างเดียวคืออสัญญาสัตว์รูปที่มีแต่นามอย่างเดียวคืออรูปพรมที่มีทั้งรูปและนามคือ นั่งอยู่นี่ไง อ, อ่มีทั้งรูปทั้งนามเลยนะพบที่มีเวทนาสามเอ่อเวทนาสามการมาพบเนี่ยนะมีเวทนาได้สามรูปประพบมีเวทนาได้สองอรูปประพบอรูปประพบมีเวทนาเท่าไหร่สมนัสเกิดได้ไหมอรูปประพมดีใจไหมอรูปหรอฮะอรูปภระพมดีใจไหมไม่มีรูปมีแต่นาม โสมนัสเวทนาเกิดไหมในอรูปประพบไม่เคยเอาไปคิดเลยของมาไม่เคยเอาไปคิดเลยว่าในอรูปประพบเนี่ยมีโสมนัสเวทนาไหมอโลภะที่ถิกรตาสัมปยุตโสมนัสเวทนามีไหมมหากุศลสัมปยุตโสมนัสเวทนามีไหมในรูปประพบถ้ใครรู้ก็มาเล่าให้ฟังหน่อยวันหลังไม่เคยเอาไปคิดเลยนี่อรูปประพรมเนี่ยนะไม่มีโทมนัสเวทนาไม่มีทุกขเวทนาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยนะเวทนามีสามนะในทุกภพภพอง์กําหนดรู้หมดแล้วว่างั้นเถะทีนี้อาหารสี่ปกติทั่วทั่วไปเนี่ยนะทุกภพมีอาหารสี่ใช่ไหมโดยเฉพาะการมมาภพมีอาหารสี่คือกัพลิงกะราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารอาหารสี่ประการเนี่ยนะในในการมมพภพองค์กําหนดรู้อาหารนี่หมดแล้วในรูปประพบเนี่ยนะไม่มีกัพริงกะราหารอรูปประพบ ไม่มีกับพลิงกระหานเหมือนกันเนี่ยนะมีแต่อาหารสามที่เหลืออสัญญาสัตตาภพเนี่ยนะไม่ได้อาศัยอาหาร4นี้แต่อาศัยปัจจยาหารอาศัยปัจจยาหารแต่ว่าอาหารสี่ในภพเนี่ยนะทุกภพพงกําหนดรู้หมดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่กําหนดรู้จะเอาเรื่องอาหารสี่มาแสดงได้อย่างไรทีนี้ต่อไปในบรรดาอุปาทานขันห้าเนี่ยนะคําว่าโลก5คืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะถ้าอุปาทานขันห้าอสัญญาสัตมีขันเดียว เรียกว่าเอกโวกรภพในหนึ่งเนี่ยนะในหนึ่งเรียกว่าอสัญญาัตตาภพเอกในหนึ่งเาเรียกว่า mm hmm. เป็นภพที่ไม่มีจิตอสัญยีภพเอกโวการภพและอะไรอย่า ง, ง mm hmm. อสัญญีภพว่าไปแล้วอันนั้นพระองค์ก็ทําปริญญาแล้ว mm hmm. ส่วนในจตุวกรภพเนี่ยนะหรือในภูมิที่มีเฉพาะนามขันสี่อย่างเดียวพระองค์ก็กําหนดรู้แล้ว ภูมิที่มีขันทั้งห้าพ อ, องก็กำหนดรู้แล้วเนี่ยนะแล้วโลกหกคืออายตนะหกเนี่ยนะการมาพบสามารถมีอายตนะได้หกเลยคือตาหูจมูกลิ้นกาใจถ้ารูปประพบมีอายตนะสามตาหูใจเนี่ยนะสามถ้าอารูปประพบมีอายตนะเดียวคือใจอสัญญาสัตตาภพไม่มีอายตนะหกสักข้อเลยสักอันหนึ่งเลย อายตนะทั้งหมดในทุกโหนทุกแห่งกําหนดรู้หมดแล้วทำปริญญาสาหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วโลกเจคือวิญญาณทิิเนี่ยนะมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นต้นเนี่ยนะในเจสรุปแล้วทุกภพภูมิทำปริญญาหมดแล้วเนี่ยนะรู้ทั้งเหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสรณะทุกภพภูมิหมดเลยแล้วต่อไปโลกกรรมแป โลกธรรม8ตั้งแต่ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกเนี่ยนะทุกอารมณ์รำปริญญาหมดแล้วเนี่ยนะกำหนดรู้หมดเลยแล้วก็สัตวว่าดเก้าเลยนะภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกทก็กำหนดรู้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็อายตนะ10ก็กําหนดรู้หมดแล้วอายตนะ12หรือถ้า18ก็กําหนดรู้หมดแล้วเนี่ยนะอันผู้ที่กําหนดรู้ทุกทั้งหมดเนี่ยนะ พร้อมทั้งไรนาและที่ดินอันนี้หมายถึงเป็นที่อยู่ของพวกวัตตะพวกนั้นนะนะถ้าสํา น, นวนว่าไร่นาและที่ดินเนี่ยนะถ้าแบบมนุษย์ก็ที่นาแบบที่ดินแบบมนุษย์นะถ้าเป็นเทวดาก็ที่อยู่แบบเทวดาไม่ใช่กําหนดรู้แต่สัตว์เนี่ยนะกำหนดรู้แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะการที่ทําปริญยากว้างขวางขนาดนี้หมายก็เฉพาะพระผู้มีพระภาคใช่ไหมครับอย่างเราเนี่ยจะทําปริญญาก็มายก็ว่าเฉพาะในอุปาทานคัน ก็ทั้งรอบข้างสิ่งรอบๆบข้างอุปาทานอาคารด้วยนะถ้าจะให้สูงไปขนาดนั้นเนี่ยดูเราจะกว้างขวางแม้ว่าก็เป็นผู้จะเป็นระดับพระพุทธเจ้านะถ้า<ช>จะเอ า, าแบบบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างอนะก็ต้องระดับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าทั่วทวไปเนี่ยนะข้างนอกมันก็ปริญญาไม่มากนันกหรอกถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาชีพเนี่ยนะถ้าเจริญอาชีวะมัทธกาศีลอยู่แล้วเนี่ยนะข้างนอกก็เท่ากับ ทำปริญญาไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าอย่างพวกเรือ่องสวนไร่นาที่ดินที่เกี่ยวข้องก็ในฐานะเกี่ยวข้องในฐานะความเป็นอาชีพเนี่ยนะก็สามารถทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าจะกว้างขวางสรุปว่าแผ่นดินทุกตารางตารางนิ้วหรือว่าทุกเม็ดฝุ่นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าวิจัยหมดะนะถ้าจะพูดแบบนี้น ะ, ะของเราก็ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้ง ก็เอาเพราะว่าทํายังไงหมดกิเลสไม่เกิดใหม่ใช้ได้นเหมือนันน่ะแต่นี้ผู้พูดถึงว่าคนที่จะสอนคนอื่นน่ะนะเขาเรียกว่าวิชาอาจารย์ต้องระดับนั้นน่ะถ้าวิชาระดับเขาเรียกว่าไตรโลกาจารย์น่ะนะคำ ว, ว่าไตรโลกาจารย์เนี่ยคือเป็นอาจารย์ผู้สอนโลก3สอนกามโลกก็เช่นพวกมนุษย์เทวดาเรียกกามโลกแม่อบายบางส่ว น, นเช่นเด ร, ราชาธพองศ์ก็สอนนี่นะรูปประโลกพระองค์ก็สอนอรูปประโลกพระองค์ก็สอน ถามาสอนยังไงคือสอนผู้ที่ปฏิบัติในอยู่ในชั้นการมาโลกและรูปประโลกให้บรรลุมรรคผลก่อนแล้วพวกเนี้ยตายแล้วไปเกิดในอรูปประโลกเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะจะต้องสอนโลกสามเหมือนกันยค ว, ว่าทําปริญญานี่ขึ้นไปทําในระดับรูปรูปประโลกรู ป, รรปรโลกอีกทีใช่ไหมครับทำหมดเลยคืออย่างอย่างพระอริยะสาวกที่เป็นโสดาบันแล้วเป็นต้นไปเนี่ยนะท่านไปทําปริญญาที่นั่นต่อนั่นก็จะนิพพานในอรูปประพรมต่อเลย นะ่ะท่านท่านจะนิพพานที่นั่นเลยไม่ต้องลงมาอีกแล้วก็จะบรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปที่นั่นเลยแต่ต้องเป็นพระโสดาบันไปก่อนนะแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ได้โสดาปฏิมร์เนี่ยนะเท่าที่ศึกษามาบอกว่าไม่เกิดที่ อ, อ, อรูปภม <c oughs> ต้องได้โสดาบันไปแล้วนะไปทําปริญญาต่อที่นั่นนดแต่ถ้ายังไม่ได้แล้วก็ลืมหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยว ถ้าใช้คําว่ากําหนดรู้ทุกในวัตฏะเนี่ยเท่ากับแสดงว่ากําหนดรู้การมโลกและรูปประโลกหมดแล้วหรือสังขารโลกสัตวะโลก ed, kale, โอกาสโลกกําหนดรู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ว่างั้นแสดงว่าถ้าอย่างนี้กําหนดรู้อย่างโลกอย่างนี้แล้ว ก, ก็ต้องรู้กาหนดก็ต้องรู้โลกสมุทัยด้วยถ้ารู้โลกเนี่ยนะโลกับสมุทัยก็เป็นอันรู้ด้วยเนี่ยนะถ้ารู้โลกกับสมุทยัยจริงก็ต้องรู้โลกนิโรธ แล้วก็โลกะนิโรทคามินีปฏิปทานเนี่ยนะรู้หมดเลยอเนื่องจากพระองค์รู้ขนาดนี้นี่แหละพระองค์จึงว่านิพพานเนี่ยนะเหมือนกับทะเลถามว่าทะเลเนี่ยนะมีท่าลงมากขนาดไหนถ้าจะลงทะเลเนี่ยลงที่ไหนได้บ้างเยอะเยอะนะไหมลงประเทศไทยก็ได้แต่ลาวนี่ลงไม่ได้นะี่ต้องล่องน้ําโขงก่อนอ น, นะคือแต่ว่าโดยทั่วทไปแล้วทะเลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนั้นเนี่ยจะลงประเทศไหนก็เกือบได้เกือบทุกประเทศเห่างนั้น ชั้นใดก็ดีเนี่ยนะท่าที่จะยังลงสูตนิพพานก็มากแบบนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแบบปฏิสัมพิธามมักเลยนะอริยศาสตร์เนี่ยสองข้อลงอะไรได้บ้างขันอายตนะท่าทวาร6อารมณ์6กปิญญาณ6ภาษาหเวทนา6สัญญา6เจตนา6วิตตกหกวิจารหกเนี่ยนะลงได้หมดเลยอะไรอีกอินซีก็ได้พบสมก็ได้พบเ ก, ก็ได้ท่าสามสมาบัติเนี่ยนะสมาบัติ8กสินสิ แล้วก็ปัตจัยการเนี่ยสงเคราะห์อย่างลงสัจจาได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าลงนี้จึงเยอะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าถึงในส่วนนั้นเนี่ยนะสมถะนําหน้าหรือวิปัสนานําหน้าได้หมดเลยเหมืันกันเพราะฉะนั้นหลากหลายมากโดยเฉพาะคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะทุกๆสูตรเนี่ยนะเขาปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลกันหมดเลยมีเราอยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะ ไม่แน่นะวันหนึ่งนะคุณราวันนะอย่าเพิ่งนี่อย่าอย่าเพิ่งรู้ถูกนะแน่นะแต่ไปนะว่าพระตถาคตไม่อาศัยตัณหามีปกติเห็นนิพพานนิพพานก็เป็นที่สิ้นตัณหาก้าวล่วงทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ ไม่มีอารมณ์อะไรๆคือปัจจัยอธิบายว่าเหตุที่ทำให้เกิดในพพใหม่นี่นะย่อมควรเครื่องบูชาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่อาศัยตัณหาในทุกอารมณ์เหนะเห็นนิพพานล่วงทิฏฐิที่จะเพลิงให้ผู้อื่นรู้หมายถึงว่า9้าล่วงทิฏฐิ62ทุกทิฏฐิเลยไม่มีทิฏฐิ62สักทิฏฐิเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอารมณ์หมายถึงว่าไม่มีการเกิดในพพใหม่อีกแล้วอารัมมณะตัวนี้เป็นชื่อของปัจจัย ปัจจัยที่จะให้เกิดในภบใหม่สำหรับพระผู้มีพระภาคไม่มีแล้วนี้ต่อไปธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นภายในและภายนอกพระตถาคตแทงตลอดแล้วกำจัดได้แล้วถึงความสาบศูนย์ไม่ได้มีพระตถาคตนั้นเป็นผู้สงบแล้วน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นอุปาทานย่อมควรเครื่องบูชาพระองค์นี้กาหนดรูปธรรมที่เป็นภายในและภายนอกอะไรภายในภายนอกก็ขันที่เป็น ภายในและขันที่เป็นภายนอกกําหนดรู้หมดเลยอายตนะทั้งภายในและภายนอกกําหนดรู้หมดภายในภายนอกอนี่กับคนอื่นด้วยฮะเจนพอแต่ว่า<ถ>บางในไม่ไม่ได้ ว, ว่าอย่างนั้น อ, อคําว่าอายตนะเอาใหม่ก่อนนะคำว่าขันภายในกับขันภายนอกขันภายในได้แก่ในตัวขันภายนอกได้แก่นอกตัวถ้าอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เหลือเรียกว่าอายตนะภายนอกแต่ว่าบางทีก็บอกว่า ขันภายในได้แก่รูปที่เป็นกรรมชรูปอ๋อนั้นไม่ใช่ถ้าอายตนะนะถ้าอายตนะภายในได้แก่ภาษาทรุปห้ากับมนายตนะเนี่ยนะอันนี้เป็นอายตนะภายในที่เหลือทั้งหมดเป็นภายนอกแต่ถ้าขันภายในถ้าขันทั้งหมดนะชีวิตทั้งหมดในส่วนของอายตนะคนในกัภายในหมายความว่าเป็นภาษาทรุป้ารูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมด อ๋อไม่ทั้งหมดเน้นกคำภาษาทารูปห้าที่เกิดนี่เรียกว่าอยตนาภายในนะส่วนที่เป็นรูปนะรูปที่เหลือทั้งหมดเป็นอายตนาภายนอกรูปที่เหลืออย่างอื่นเป็นอายตนาภายนอกภาษาธรูปห้าเป็นอายตนาภายในที่เหลือจากภาษาทรูปห้าเป็นอายตนาภายนอกพระองค์นี้กล่าวไปว่าแทงตลอดทั้งหมดเหล่านั้นด้วยยานหมดแล้วแล้วก็พระองค์นั้น เป็นผู้สงบเนี่ยนะน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นอุ ป, ปาทานกันนะก็คือน้อมจิตไปในนิพพานนั่นเองพระตถาคตเห็นที่สุดแห่งความสิ้นชาติบรรเทาสังโยชนอันเป็นทางแห่งราคะเสียได้ไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมนทินไม่มีความใคร่ย่อมควรเครื่องบูชาเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้านี้ เห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปแห่งชาติเ น, นี้หมายถึงอนุปาที่เสศานิพานธาตุนะบรรเทาสังโยชน์ทั้งหมดอันเป็นทางแห่งราคะอันนี้เป็นชื่อของสอุปาที่เสศานิพานธาตุไม่มีส่วนเหลือบริสุทธิ์ก็คือเนื่องจากความทุจริตทางกายวาจาใจไม่มีสักอย่างเลยนะไม่มีโทษคือราคะเป็นต้นปราศจากมนทินคือเครื่องเศร้าหมองทุกชนิดไม่มีความใคร้คือไม่มีอุปกิเลสสักอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมแบบนี้ควรแก่การบูชาถ้าธ ถ, ถาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนอันนี้หนักหน่อยนะไม่เห็นตนโดยความเป็นตนมีจิตตั้งมั่นปฏิบัติตรงดํารงตนมั่นไม่วานไหวไม่มีกิเลสดุดหลักต่อไม่มีความสงสยัยย่อมควรเครื่องบูชาไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนเป็นยังไง เขาบอกว่าพระตถ า, าคตทรงเห็นแจ้งด้วยจิตสัมปยุทธ์ด้วยยานไม่พิจารณาเห็นสิ่งอื่นที่ชื่อว่าตนในขันทั้งหลายของตนนะขันเนี่ยขันเนี่ยคำว่าตนก็คือหมายถึงขันทั้งหมดเลยนะแต่ก็ไม่พิจารณาเห็นอะไรสักอันหนึ่งที่สําคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งเหล่านี้เลยเหมือแบบนกันเถอะเพราะฉะนั้นตนในที่นี้ก็คือปฏิเสธคนอื่นนะแต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นอัตตาในสิ่งเหล่านี้สักอันหนึ่งเลยเหมือแบบนกันไม่มีเลย ก็คือพิจารณาเห็นเพียงขันเท่านั้นไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนคือเห็นเพียงเป็นขันไม่ได้เห็นเป็นอัตตาเพราะไม่มีทิฏฐิเกิดขึ้นโดยความเป็นของจริงแท้แก่พระตถาคตนั้นว่าเรารู้ชัดตนโดยความเป็นตนทีเดียวย่อมพิจารณาเห็นขันทั้งหลายด้วยปัญญาโดยท่องแท้เพราะตรงนี้ไม่มีเลยนะที่ว่าเห็นอัตตาโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะหรือว่าเห็นไอขันนี่โดยความเป็นอัตตาไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้า ถามว่าเห็นเป็นอะไรก็เห็นเป็นขันธะและขันธะเที่ยงหรือไม่เที่ยงพกงก็เห็นแบบนั้นแหละไม่ได้เห็นว่าเป็นอัตตาสักหน่อยเดียวเลยและก็มีจิตตั้งมั่นด้วยมรรคสมาธินี่นะปฏิบัติตรงคือไม่มีความคดทางกายทางวาจาเป็นต้นไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมทั้งแปดไม่มีกิเลส ด, ดุดหลักต่อคือไม่มีความทะเยอทยานอยากสักอย่างเดียวไม่มีความสงสัยในฐานะแปดคือไม่สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไม่มีเลย พระตถ า, าคตไม่มีปัจจัยแห่งโมหะอะไรอะไรด้วยญาณในธรรมะทั้งปวงทรงไว้ซึ่งสรีระมีในที่สุดได้บรรลุสัมโภธิยาณอันยอดเยี่ยมอันกเกษมความบริสุทธิ์ของบุรุษย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลเพรา ะ, ะพระตถ า, าคตย่อมควรเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบูชาพระตถ า, าคตเนี่ยเอาคาถาเหล่านี้ไปร่ายให้หมดเลยนะแล้วก็พิจรารณาแล้วก็บูชาไปตามนี้นี่แหละ เขาบอกว่าพระ อ, องค์ไม่มีปัจจัยอะไรแห่งโมหะเลยเนี่ยนะคือปัจจัยแห่งโมหะก็ได้แก่พวกขันธน์ธาตุยตนะเป็นต้นพระ อ, องค์ไม่มีเลยหรือว่าไม่มีโมหะเป็นเหตุปัจจัยเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีที่สุดเนี่ยนะคือทิ้งสริระอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาสรีระอันใหม่เป็นต้นอีกเลยบรรู้สมโภทิยาณอันยอดเยี่ยมคือบรนรู้เป็นผ้าละหันเนี่ยนะคำว่าอนุตตรังก็คือไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเพราะฉะนั้น คุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะไม่สาธารณะกับคนอื่นเขาเรียกว่าอนุตรังเนี่ยนะคือสูงสุดชั้นยอดเหมือนนแล้วก็ยอดเยี่ยมคือไม่มีอันตรายเลยเนี่นะเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของบุรุษก็มีด้วยคุณธรรมที่ว่าไปทั้งหมดนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่พูดถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์จึงคู่ควรแก่เครื่องบูชาเพราะฉะนั้นเอาไว้เจริญพุทธคุณบทว่าอารหังควรแก่เครื่องบูชาก็เนื่องจากพระ อ, องค์มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละจึงควรแก่การ บูชาเนี่ยนะอาจารย์ก็อย่างนี้ม้มีคนที่พยาย า, ามถามว่าอีการใีกานี่มันคืออะไรอ๋อดีกาคือคำอธิบายอัตรกรถาคือคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่างเราอ่านตรงตร ง, ตรงคือถ้าอ่านพระไตรปิฎกลุ่น้วนนะเหมือนกับที่อ่านเมื่อกี้ที่โยมดูกันเนี่ยดูพระไตรปิฎกลุ่นล้วนอ่าใช่แต่ที่ขอมาทาไมจึงอธิบายได้ก็ขอมาดูอัตกถามาก่อนออ น, นะ ดูอัตกถามาก่อนว่าคํานั้นนั้นอัตกถาว่ายังไงเอ๊ออัตกถาก็ยังเข้าใจยากนะไปดูที่ดีกาท่านว่าไงก็ไปดูคาําอธิบายที่จะให้เข้าใจอัตกถาชัดขึ้นนะนะีก็ต้องอาศัยดีกาอย่างเช่นสติปัฏฐานที่เรียนกันเนี่ยนะ เ, เรียนเนี่ยพราะพุทธพจน์ในอั ต, ตพุทธพจน์ที่เป็นบาลีเนี่ยนะต้องอาศัยอัตกถามาที่บายทีนี้อัตรกรถานี่นะเอ๊เราจะเข้าใจถูกหรือผิดดีเนาะก็ต้องดูดีกาอีกครั้งว่าดีกาท่านขยายอัตกถาบทนั้นๆว่ายังไง ทนี้ถ้าอัตกถายังเขา้าใจยากก็ไปดูอนุดีกาอีกทีก็ดูโยชนาะดูวิภาวนีอีกครั้งหลายๆชั้นดูเนี่ยนคือถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยนะทำไมต้องไปดูอัตกถาดูดีกาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ไปดูทิ้งเหล่านั้นเลยนะเราพูดมันจะขัดกันเองนะพอเราแสดงไปแสดงมาเนี่ยนะมันจะขัดกันเองเนี่ยนะหัวมังกรท้ายมังกืออะไรมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วแต่ถ้าเราเอาดูดีกาดูอัตกถามาก่อนเนี่ยนะเวลาที่บานจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะ วันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้บุญกุศลที่เราได้ฟังทำสอนเหล่านี้ก็จงเป็นไปเพื่อให้เจริญอริยมรรคทั้งหลายให้บริบูรณ์โดยท่่นกันนะ